ก็เราได้นั่งปฏิบัติร่วมกันนานๆไปก็เพลินนะเพลินก็ง่วงเพราะนั้นเองก็เราจรึงทํำยังไงให้ตื่น ร, รู้ก็โดยที่ไม่ให้เพลินแต่มันก็ห้ามไม่ได้มันก็เพลินนะแต่เราแก้มาเรื่อยๆนี่ในวันนี้เราเป็นวันสอบอารมณ์วันแรกเพราะว่าจะได้ทราบว่าสองสามวันผ่านไปเนี่ยเราจับหลักอะไรได้บ้างก็เท่าที่สอบอารมณดูวันนี้ก็หลายคนนะ ที่ได้อารมณ์ดีเรียกว่ารู้จักแก้ปัญหาละแก้ปัญหาแค่สองข้ อ, อความเพลินเกิดขึ้นได้อย่างไรความผือเกิดขึ้นใดเป็นปัญหาเก่าๆนะแต่มันเป็นต้นต่ อ, อต้นต่อของปัญหาอันนั้นเมื่ อ, อถามดูหลายคนก็รู้สึกว่าอารมณ์ชัดเจนขึ้นแต่ปัญหาที่พบอันหนึ่งที่นํามากล่าวก็คือว่า เคยปฏิบัติมานานแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถแยกแยะเห็นสภาวะต่างๆอย่างชัดเจนนะรู้ว่าปฏิบัติไป น, นานๆทั้งหมดก็เบาสบายแต่ถามว่าไหนเป็นรูปไหนเป็นนามอันไหนเป็นนามเป็นรูปอันไหนเป็นรูปนามไมได้เป็นนามรูปอันไหนเป็นสมมติปรมัตดอะไรนี่ก็ยังแยกไม่ออกนะแค่ว่าเบื้องต้น จากนั้นเวลาปฏิบัติไปนานๆแล้วจะได้แต่ความเบาสบายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะมันไม่พอเราต้องรู้จักรักษาและวิธีการรักษาความรู้สึกเช่นนั้นไว้ได้นานจนเป็นนิสัยเป็นชีวิตใหม่ไม่ใช่รู้สึกเบาสบายตอนมาปฏิบัติตกลับไปบ้านก็หนักเหมือนเดิมอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มกันนะเนะมื่อเราหาเงินไนอะ้ตอนที่รู้สึกว่านะมีเงินตอนที่เราหา แต่กลับไปบ้านใช้เดี๋ยวเดียวก็หมดก็หาใหม่อยู่งั้นเดี๋ยวจะเห็นว่าคนจนในโลกน่ยจะมีเยอะเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักวิธีหาเงินได้มากๆหรือหาเงินมาแล้วก็ไม่รู้จักเก็บรักษาแล้วก็ไม่รู้จักที่จ ะ, ะวิธีการที่จะรักษาและวิธีการใช้เดัะนั้นสภาวธรรมก็มอนกันมันเป็นเหมือนลูกปะระทานนั่นแหละเราหาเงินน่ะ ก็เหมือนเราหาความรู้สึกตัวที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยหาให้มันเพิ่มขึ้นความรู้สึกมันมีอยู่แล้วแหะแต่มันมี น, มน้อยเหมือนกับเรามีต้นทุนอยู่แล้วเราก็เขามีทุนระดับหนึ่งเช่นจะไปทำงานต่างๆแล้วก็มีทุนในการเรียนการศึกษาทุนในการเดินทางทุนในการดารงชีวิตอยู่ในขณะที่ศึกษาเนี่ย น, นีก็เป็นต้นทุนแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาต้นทุน ตัวนี้ไปต่อให้มันมากขึ้นได้อย่างไรนะ น, นั้นต้นทุนของเราคือความรู้สึกตัวที่เป็นทั้งความรู้สึกทางกายและความรู้สึกทางใจเนีย่ยเป็นต้นทุนดัง น, นั้นต้นทุนอันนี้เราก็นํามาเพิ่มนะํามาเพิ่มให้พัฒนาให้มันจเจริญขึ้นดังนั้นเวลาเราปฏิบัติอื ม, มันจะต้องดูเข้าไปในกาย ใ, ในใจของเราเนี่ยให้ชัดๆเพื่อที่จะได้เห็นว่า <c oughs> กายใจขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเห็นนูไปชัดๆนะรู้ลงไปชัดๆแต่ว่าไม่ใช่เพ่งความรู้สึกเพ่งกับความรู้สึกชัดเนี่ยคนละอย่างความรู้สึกเพ่งเนี่ยทำด้วยความอยาก อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เบื้องหลังแล้วพยายามเพ่งมองหาในสิ่งที่ต้องการแต่ทำให้ชัดเนี่ยมันเหมือนกับการถือไฟฉายแล้วเราก็ขยายได้ปรับได้ตรงนี้มันต้องการแสงสว่างสูงแล้วก็ออกดไฟฉายสมัยใหม่นี่เขามีหลาย <c oughs> หลายหมดเจ้า สว่างมากสว่างน้อยจะให้มันกระพริบอะไรเนี่ยมันก็ปรับได้เหมือนกันความรู้สึกตัวนี่ถ้าเรามีอยู่แล้วแต่ต้องการปรับให้มันชัดขึ้นพที่เรามาทำเนี่ยทำเปรตเส ม, มือนว่าเราปรับแสงสว่างเพื่อที่จะไล่ความมืดจะให้มันสว่างมากสว่างน้อยถ้า ต, ต้องการให้มันห้ามมืดมันหายไปชัดๆก็โดยเฉพาะหลอดไฟสมัยนี้นะมันไม่ได้กดปอกแปก๊กบางทีเราก็จับแล้วก็หมุนแสงสว่างก็ขยายขึ้นจาก สิบลังเทียนห้าสิบแปดสิบร้อยลงเทียนเลยขึ้นไปหมุนไม่ใช่กดเปะเดียวร้อยลงเทียนเลยเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยมีใช้เท่าไหร่ต่างยุโรปอเมริกาเขาใช้แบบนั้นเราจะปิดก็หมุนลงหมืนก็ะเลงปุ่มเสียงวิทยุอ่ะคนลุม่มเสียงเวลาจะให้มันดังก็หมุนให้ดังขึ้นเวลาจะให้มันดับก็หมุนลงลักษณะในการเฝ้าดูของเราเหมือนกัน <c oughs> เราต้องการมาเอาแสงสว่างคือตัวสติสัมปชัญญะ ดยสติเนี่ยเหมือนไฟฉายที่เรามีโฟกัสเลนข้างหน้าสามารถปรับให้กว้างให้แคบได้ <c oughs> แต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดเพียงแต่ว่าไอ้โฟกัสมันเนี่ยปรับให้กว้างได้ปรับให้แคบได้ที่เปรียบเสมือนสติดูเฉพาะจุดที่ต้องการเราจะดูมือ หรือจะดูเวทนาที่ขาดูเวทนาที่ตะโพกดูเวทนาที่หลังที่ไหลก็เอาตัวสติเนี่ยไปส่งไปตามรู้ดูแต่ละจุดละจุ ด, จดนี่เป็นลักษณะของสติเหมือนไฟฉายเนีย่ยไอ้ <don> ส่วนสมาธินี่หมายความว่า <c oughs> ปรับให้มันนิ่งนะดูจุดเนี้ยถือไฟฉายแต่ถ้าไฟฉายมันยังแก่งไต่แก่งมาอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเป้าไหนแต่การส่องหาแล้วก็ให้โฟกัสอยู่จุดที่ต้องการนิ่งๆนี่คือสมาธิ <c oughs> นะแล้วปรับได้ตามต้องการคือตัวสัมปชัญญะจะให้มันรู้กว้างขวางมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเหมือนก็เปิดเนี่ยมันไม่มีโฟกัสเนี่ยกดปั้มมันก็สว่างไปทั่วเลยนะแล้วก็ตัวปัญญาทำหน้าที่เป็นดวงตาของเราว่าจะมองหาอะไรลักษณะการปฏิบัติให้ให้นึกภาพแบบนั้นก่อนนะคนใหม่นะยังไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องบอกว่ารู้อันไหนรู้ลูกรู้นาำและให้รู้จักแสงสว่างที่เกิดของแสงสว่างนะแล้วก็ที่ปรับแสงสว่าง ให้ได้ตามต้องการให้รู้แค่นี้อันนี้เป็นไปรูปธรรมแต่ส่วนนามธรรมก็บอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวมากไหมรู้สึกตัวต่อเนื่องไหมรู้สึกตัวอยู่ได้ชัดไหมรู้สึกตัวได้นานไหมแล้วขณะรู้สึกตัวนี่รู้เห็นอะไรบ้างในร่างกายเนี่ยให้ให้ทําความเข้าใจแค่นี้ก่อนเมื่อเราแยกให้เห็นว่าเลักษณะความรู้สึกตัวที่ต้องการอย่างนี้นะเมื่อก่อนถามว่าความรู้สึกตัวนี่มีไหมมี แต่ว่ามันไม่มีความตั้งใจที่จะรู้มันไม่มีเรียกว่าความพยายามที่จะให้มันชัดไม่ชัดเนี่ยมันไม่มีมีแต่ทําตามสันชาตยานและความอยากทุกคนเป็นอย่างนั้นมาหมดนะแต่พอเรามาปฏิบัติเราได้พบผู้มีประสบการณ์ได้รับประโยชน์ได้รับอนิสงส์จากการมาทําอย่างเนี้ยมาบอกให้เรา พอเออทำอย่างนี้มันร่างกายสบายจิตใจสงบจิตใจไม่มืดมัวไม่ห้องขัดจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายจะนึกคิดสิ่งใดก็รู้สึกว่ามันไม่ขัดข้องนะเหมือนกับเรามีคนมีเงินคิดจะจับใจ่ายใช้สอยสิ่งใดสิ่งไหนก็เรียกว่าทําได้เลยไม่ต้องไปวิ่งหาอีกเนะี่เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นทุกวันนี่เรายังวิ่งหาอยู่ เงินเลยยังไม่พอเราก็ลงมือหาตามคําแนะนําของคนที่เขามีประสบการณ์ว่าเขามีเงินมาก่อนเราก็ดูว่าคนที่มีเงินนู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าได้ตามต้องการอันนี้คือบุคคลเนี้ยจะมาเป็นชี้บอกทางเราแล้วก็บอกวิธีการเราว่าเมื่อจะมีสิ่งนี้แล้วเนี่ยชีวิตมันสบายอย่างไรนะเพราะนั้นเองเมื่อพระพุทธองค์ได้ค้นพบสิ่งนี้ก็นํามาบอกเราแต่ก่อนที่ท่านจะค้นพบท่านก็เรียกว่า ใช้เวลาพิสูจน์อย่างหนักเหมือนกันในนั้นตามประวัติที่บอกว่าพุทธองค์ได้บำเพ็ญบรารมีมาสีอาสงไข่แสนมหากับที่ <Hey. S 1> บำเพ็ญบรารมีมามากขนาดนั้นทำไมต้องมาแสวงหาแทบร้องแทบตายอีกนะทาไมเกิดมาแล้วไม่เจอเลยนะเขาให้สงสัยอยู่ uh huh. แสดงว่าบางทีคัมภีร์ก็เลยเถิดเราก็สงสัยถ้าได้สังสมมามากขนาด น, นั้นแล้วทำไมต้องหายแบบเหมือนกับลูกเศรษฐีเนี่ย พ่อแม่หาไว้แล้วไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านลูกมาก็ไม่รู้ไปหายากแล้วดินะ่งใช้สมบัติก็ไม่หมดทีนี้ถ้าหากว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเราได้สั่งสมบุญบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติบา ร, รมีสิบทัดสาสิบทัดจริงเนี่ยทําไมเกิดมาแล้วโอ้ ม, มาพยายามไปแทรลงแทบตายอีกนะแทบตายนะ ตอนที่บำเพ็ญทุกขเวียาเนี่ยล้มลุกคู่คานขนาดนั้นะนะแต่ทำไมบารมีที่ทำํำเราไม่มาช่วยล่ะนคนที่ช่างคิดมันก็ต้องสงสัยแบบนี้เหมือนกันนะแต่ท่านหมายถึงว่าบารมีเนี่ยที่ทำเนี่ยเอามาใช้ณนะปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ที่เราทำเนี่ยเอามาใช้บารมีสิบตัวเนี่ยตัวแรกท่านบอกว่ามีทานมีทานนีเกจีอาจารย์ทั้งหลายโอ้สมัยที่ พระพุทธเจ้าท่านให้ทานท่าให้มากกว่า น, นี้น ะ, ะสละลูกสละเมียเกิดมาเป็นพระเวสสันดนสรสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดมาเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรยากแต่ท่านก็แสวงหาอยู่คำว่าทานบารมีก็แบ่งไปสามระดับเลยนะทานธรรมดาวัตถุทานธรรมดาเนี่ยเาเรียกว่าทานปารมีสละสิ่งของที่เป็นของของตัวเองให้ชั้นที่หนึ่ง ฉั้นที่สองเนื่ยทานะอุปปารมีสละไม่ใช่สิ่งของของตัวเองสละตัวเองเลือดเนื้อของที่ไปอยู่ในกายสามารถควักดวงตาให้เป็นทานสามารถสละเลือดเนื้อเชื่อไขให้เป็นทานสามารถสละลูกสละอะไรที่เกิดจากตัวเองนี่นะได้ขนาดนั้นนี่เรียกว่าทานะอุปปารมีสละ ฐานะปรมัตถะารมีสละใจสละใจที่มันมีกิเลสตัณหาอุปทานนสละความอยากออกไปอะไรที่เป็นที่ทั้งความอยาก ลูกสามีภรรยาไปที่ตั้งความอยากสลัดออกไปได้แล้วสลัดถึงความอยากในใจออกด้วยสลัดความอยากออกไปเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัติเราทำปรมีทีเดียวสามขั้นเลยนะทั้งทานและประ ม, ทปรปรมีทานะอุปปรมีทานะปรมัตถปรมีคือหมายความคนทุกคนที่ขนจะมานั่งปฏิบัติที่นี่เคยทำทานมาทั้งนั้นอนะ่ะเคยถวายเงินถวายทองถวา ย, วายข้าวของของตัวเองให้วัดวา่าอารามไม่ใช่น้อยนะ ถึงมีโอกาสมานั่งตัวนีนั่นหมายความว่าเราเคยบำเพ็ญไอตัวเสยสละเนี่ยม า, มามากแล้วนะเราถึงโอกาสมาอย่างเงี้ยมาไม่โดยไม่ไมีอะไรข้องขัดมาได้ที่ตัวที่นี้อุปฟารบีหมายถึงว่าใครจะขออะไรมากกว่านั้นเราให้เช่นสละแรงกายเพื่อช่วยเหลือการงานาสละสละแรงสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวให้คนอื่นให้การช่วยเหลือให้ความเมตตากรุณา ให้ความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทางด้านจิตใจเ็าเริ่มมีภมมวิหารอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นฐานะอุปปารมีฐานะประมาถปารมีทานแม้กระทั่งกิเลส ท, ที่อยู่ในใจของตัวเองเช่นเรามานั่งยกมือเนี่ยถามว่าเราได้อะไรไ้ยมีพระหลวงปู่ชารูปหนึ่งเขาถามว่าคุณเพื่อนเขาถามไปปฏิบัติภาวนามาเนี่ย าคุณปฏิบัติแล้วคุณได้อะไรบ้างได้เห็นอะไรได้รู้อะไรเขาตอบตรงกันข้ามผมไม่รู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรผมไม่ได้อะไรเลย ผ, ผมเสียหลายอย่างผมเสียหลายอย่างทีเดียวเมื่อก่อนผมเคยเห็นแก่ตัวผมเสียมันไปผมสูญเสียมันไปเมื่อก่อนผมเคยเป็นคนขี้เก <integrity>. ียจผมสูญเสียความขี้เกียจไปเมื่อก่อนผมเคยเป็นคนใครพูดอะไรไม่ได้อย่างใจผมหงุดหงิดโมโหผมได้สูญเสียมันไปเมื่อก่อนผมเป็นคนโง่คนหลง ผมได้สูญเสียมันไปเออเป็นคำตอบที่น่าคิดได้สูญเสียในสิ่งที่มันจะต้องเอาออกอะ่ะการสูญเสียอย่างนั้นโอ้ววันนี้ฉันสูญเสียมากเลย คือเสียอะไรข้าวที่กินไปนเช้านี้อร่อยมากผมก็ได้สูญเสียมันไปเสียแล้วสูญเสียมันไปที่ไหนไปในห้องน้ํานั่นเองเนี่ย <c oughs> ไปสูญเสียไปในห้องน้ํำเองลักษณะอย่างนี้ <c oughs> มันยอดเป็นเออมีล <c oughs> ักษณะได้ว่าได้รับสูญเสียสิ่งที่เป็นนามธรรมปรามัดฐานีในสิ่งที่ความที่เป็นกิเลสในใจของเราวิชาตันหาปุะธานเนี่ยมันเป็นนามธรรมเราได้เอามันออกไป นี่เรียกว่าเป็นการให้อย่างสูงตามปุติความรักความหลงความชอบความอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้สละกันได้ง่ายๆเราเก็บมันไว้นะ่ะตัณหามาณทิฏฐิเนี่ยเราเก็บมันไว้ไม่เชื่อลองใครมาพูดอะไรผิดใจบ้างอ่ามันจะเกิดการแสดงอาการทันทีเนี่ยเราไม่ยอมเอาออกแล้วเดียเราใช้มันอยู่อนะเนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อจะเอาสิ่งนั้นออกนั่นเองมาสละสิ่งนั้นน่ะยากหรือง่ายฮะยากใช่ไหม แล้วมาพยายามเอาออกแล้วมันยังไม่ออกให้นะนั่งปฏิบัติอยู่ดีๆใครมาตบหลังพี้ยสักโลนะเหลียวไปตาเขียวปัดเลยเห็นไหมมันขึ้นทันทีทั้งๆที่กำลังจะออกเลยพอกระทบปั๊บมันเข้ามาใหม่ทันทีเลยนะใครพูดอะไรไม่ถูกใจขึ้นมาแล้วหน้า่าบึ้งทันทีเห็นไหมทั้งๆที่เราปฏิบัติเพื่อจะเอามันออกแต่พอมันกระทบมามันกลับมาทันทีได้เหมือนกันนี่คือแล้วถ้าคนให้ได้เรียกว่าปรมัตถ์ปารมีเรามามันเพนเดานะ ปัจจุบันนี้นะทีนี้เราพูดถึงศีลปณาาิมีเรามาบำเพ็ญศีลขสามขั้นเหมือนกันมาทําปกติกายปกติวาจานี่ขั้นรักษาบำเพ็ญศีลแลปณาาิมีเรามาที่นี่เราก็ปกตินะเป็นคนไม่พูดเออะโวยวายอยู่เงียบๆแล้วก็มีระเบียบแบบแผนอะไรแล้วก็ทําตามได้ทุกอย่างนะคือให้นอนดึกลุกตื่นเช้าก็ทําได้ อยู่ที่บ้านทา ว, วดีพยววันห้าโมงหกโมงเยอบางคนก็แปดโมงออกมาที่นี่ตีสามก็ได้นี่ยเขาเรียกว่ามีบาเพ็ญสีละปาเรามีแล้วนี่เ อ, อมาที่นี่ฉันเก็บดวงกล่องดวงใจของคุณนะโอเคฉันก็ให้นะเก็บโทราศัพท์ทุกทั้งทังที่ไม่อยากสละดเนะี่ยก็ต้องให้นี่เขาเรียกว่าเนี่ยเพื่อความเป็นระเบียบปฏิบัติตามกตกาได้อย่างดีนะนี่เรียกว่าบําเพ็ญสีละปริมีขั้นตน้นศีละอุปปาเรามีขั้นกลางจัดระเบียบจัดระเบียบอะไร จัดระเบียบความคิดและอารมณ์ได้ว่าตามปกติเราจะรองนั่งฟุง้งซ่านปรุงแต่งเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้เราก็เจริญสติความรู้สึกตัวเนี่ยเอามาจัดระเบียบให้ใจมันอยู่เป็นปกติณนะปัจจุบันนี่เขาเรียก ว, ว่าทำกายวาจาให้เป็นระเบียบเป็นปกติเรียก ว, ว่าศีละปรมีขั้นต้นแล้วจัดระเบียบจิตของเราให้มันไม่ฟุง้งซ่านไม่เพลินไม่หลงเป็นศีลอุ ป, ป, ปาปรมี แล้วจัดระเบียบของอารมณ์นะนอกจากจัดระเบียบจิตได้แล้วจัดระเบียบของอารมณ์อารมณ์มันคิดไปทางดีทางร้ายทางถูกทางผิดทางสุขทางทุกข์แล้วก็ปรับให้มันเป็นกลางซะให้ปกติถ้ามันตรงไปซ้ายก็ผิดปกติตรงไปขวาก็ผิดปกติตรงไปเพลินก็ผิดปกติตรงไปเผลอก็ผิดปกติปรับให้มันกลางๆไม่เพลินไม่เผลอ น, นี่นี่เขาเรียกว่า สีละปรมตภิภารามีได้ทำํำไหมวันนี้พยายามทําอยู่ใช่ไหมแต่จะเต็มเมื่อไหร่ไม่รู้นะบรารมีตัวนี้ทั้งสามขั้นเนี่ยเนี่ยเรามาบำเพ็ญเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีหลวงพ่อดูพปกลมปัจจุบันที่ท่านมีชีวิตอยู่ปฏิบัติด้วยกันที่วัดสนามในเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้วนี้ท่านปฏิบัติมาปีเศษๆปฏิบัติกับหลวงพ่อเจรัจนบันห้วยวัด บ, บันห้วยท่านมรณภาพแล้วอปีเศษ้ รู้สึกว่าไม่เขาเพื่อนเขาได้อารมณ์รูปนามได้รู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ตัวเองไม่มีอะไรรายงานเขาเลยไม่รู้ก็<ๆ>มานึกในใจว่าเรานี่ไม่มีวาสนาบารมีที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้หรอกแต่ว่าประกอบว่าท่านมีลูกริยาอยู่ที่บ้านกลับไปทำไรทำนาเหมือนเดิมดีกว่าแต่นั้นอายุท่านสักห้าสิบกว่าหรือหกสิบแล้วมั้งหกสิบละก็เลยเข้าไปลานหลวงพ่อเทียนแล้วหลวงพ่อผมจะมาขอลาสึกเอ้ารู้สึกไปไหนอ่ะ ผมปฏิบัติมาปีฝ่าแล้วผมยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยผมไม่มีวาสนาบารีไม่ได้สั่งสมมาหรอกพรอชาติแล้วผมไม่ได้สั่งสมมาที่เขาปฏิบัติกันปีเศษเขารู้อะไรกันไปหมดแล้วผมยังไม่รู้อะไรเลยผมวพรอเทียนก็ถามอนุภวกคกมว่าสมาวาสนาบารมีเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งที่เคยได้ทํามาแล้วในอดีตชาติมาสั่งสมมาชาตินั้นชาตินี้หลงพ่อเทียนบอกว่าเข้าใจไม่ถูกเข้าใจผิดอเข้าใจผิดเข้าใจว่าสนาบารมีแปลว่าอะไรแปลว่าขยันทํา เออเอางอ่ายงงี้เยนะถ้ารู้ว่าภาสนาบา ร, รมีแสดงความขยันเนี่ยมันยังไม่พอที่ขยันมาแล้วก็ดีแต่มันยังไม่พอทําให้มากกว่า น, นั้นไปอีกเอาทําอย่างไรแล้วคุณเคยนั่งปฏิบัติต่อเนื่องกันหลายวันโดยที่ไม่ไปไหนเลยไม่ออกวัดไปไหนไม่ต้องบินท่าบาทไม่ต้องไปทําอะไรเลยทำอยามันมอย่างเดียวเนี่ยเคยทํามาไ้มปีเศษเนี่ยยังไม่เคยเออไหนไหนก็ใจสื่งแล้วลองทําดูเถอะซิ อถ้าทําแล้วมันไม่รู้เรื่องก็ไปสืบ ก, กันก็ได้วางนั้นนะพอเขาบอกเอาแลทําทอา่างั้นท่านไปเก็บปฏิบัติเข้มสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าภายในสองอาทิตย์มันไม่รู้นะมาผมจะสืบให้เะงท่านก็ไปทําแล้วที่นี่แต่ว่าให้อยู่ในสายตาของท่านนะไปทำท่านก็ไปทําทําอยู่จนถึงสิบสี่วันวันที่สิบสี่ทำอยู่อย่างนี้นนะพ่อบอกทําทำเฉยๆทาซื่อๆนะ ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปอยากรู้อะไรทําเฉยๆนี่แหละยกมือไปเรื่อยๆยกมือเบื่อก็นั่งเดินจุกกมเดินจุกกมเบื่อก็นั่งสร้างเยาวะทํำไปเรื่อยๆเว้นแต่มาทานข้าวมาทานข้าวหมายเขามีคนเาไปส่งด้วยนะมีคนไปส่งถึงห้องเลยไม่ต้องไปซักผ้าซักเสื้อให้คนอื่นเขาจัดการให้มีได้ทําอย่างเดียวปรากฏว่าถึงวันที่สิบสเนี่ยบังเอิญที่วัดสนามในเนี่ยใกล้ๆวัดเขามีงานบวชนาค ตั้งบุดีพอกางนบทหน้ากเปิดเสียงดังลั่นเลยนะใช่ไหม <laughs> เสียงเพลงเสียงอะไรต่างปรากฏว่าในหัวค่ำเนี่ยเขาเปิดเพลงเสียงที่มากระทบหูท่านคือตังบุดีมันก็ได้ยินแต่ในช่วงนั้นมันมีความพร้องของอะไรบางอย่างก็เรียกความพร้องของบาระมีเนี่ยได้ยินเสียงเพลงกระทบหูปึง่ง ตั้งบุตริมันจะอินเข้าไปฟังแล้วก็ชอบไม่ชอบมันจะเกิดให้ชอบก็อินเข้าไปเข้าไปในนะั้นถ้าไม่ชอบก็ต้านแต่วันนั้นปรากฏว่ามันไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้านรู้สึกไม่ชอบก็มีชอบก็ไม่มีมันติ้งขึ้นมาในใจอ๋อเสียงนี่เป็นรูปนี่เสียงนี่เป็นรูปหูเราก็เป็นรูปแล้วมาดูใจใจเฉยๆเสียงก็ดังอยู่แต่ว่า ไม่ได้เข้าไปสําคัญมันหมายว่าเป็นเสียงอะไรกอเสียงสะเต๋วเสียงใจก็สะเต๋วใจเอะมันไม่ทําอะไรกันนี่ความพร้อมของสติตรงนั้นมันเข้าไปตัดระหว่างรูปกับนามไม่ให้เข้าถึงกันรูปกระทบรูปเฉยๆเสียงก็รูปอันหนึ่งหูก็รูปอันหนึ่งโสตประสาทก็รูปอันนึ่งพอกระทบกันปั๊บแต่จิตที่ท่านเจริญสติมาทั้งสิบกว่าวันเนี่ยมันมาอยู่ตั้งมั่นอยู่ทื่นุทู่ตัว ทำให้รู้จิตมันก็ตั้งมั่นเป็นปัจจุบันพอมีอะไรกระทบปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เข้าไปข้างในมันกระทบแล้วมันก็หล่นเห็นอ่าจิตเฉยๆอ๋ออันนี้เนี่ยก็เลยเข้าใจเรื่องรูปนามในวันนั้นพอเข้าใจรูปนามก็ดีใจไปบอกหลวงพอ่อว่าหลวงพ่อผมไม่ศึกแล้ววงั้นผมเข้าใจแล้ววงั้นเข้าใจว่าอย่างไรน่ะพูดให้น้องบอฟังเออนี่แหละบาบ า, บาสนารามีมันเต็มแล้วว่างั้น <laughs> เห็นไหมเพราะเราเข้าใจไม่ถูก บอกว่าสนาบาลมีต้องได้บำเพ็ญมาชาติโน้นชาติก่อนแต่ความขยนันการกระทาของเราเนี่ยมันยังไม่ถูกถ้าไม่ถูกมันก็ยังไม่เต็มถ้าทำให้มันถูกมันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่มันก็เต็มเต็มอะไรสติสัมปชยญะมันเต็มเข้าไปในใจเหมือนน้ำอะอยู่ในขวดเนี่ยถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยจะเอาอะไรไปเทใส่มันก็ไม่เข้าละจิตของเราถ้ามันเต็มด้วยสติสัมปชัญญะ เสียงรูปเสียงกิรติสัมผัสอารมณ์อะไรกระทบเข้ามามันก็ไปเข้าไปถึงใจมันก็สัตว่าได้ยินสักตว่าได้ยินเห็นสัตว่าเห็นรู้สัตว่ารู้เฉยเฉยไม่ต้องไปคิดว่าเออเห็นสัตวเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นแหะคือมันรู้มันกระทบมันก็จบจิตก็ไม่สะดุ้งสะท้านสะเทือนอะไรต่างจิตก็เฉยเฉยแล้วลักษณะนี้ท่านก็เข้าใจสิบห้าวัน ทำไมาเองก็ลักษณะเดียวกันนะทำมากับหลวงพ่อตั้งแต่ปี219จนมาถึงปีหลายปีมาถึงปี29ถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระเนี่ยรู้ยากกว่ายมเพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าให้ลูกหลานบวช แตาไม่ได้ปฏิบัตินะบวชได้อาบาดทุกวันเลยวันในวันในประเดี๋ยววันนี้อาบาดทุกวันเลยนเเพราะอะไรเพราะอยู่กับวัดเนี่ยเขาอยากจะได้บุญนะเรายังไม่มีบุญให้เขาใช่ไหมเขาก็เอาบุญเราไปหมดไอเราไม่ได้ทำบุญบุญที่จะตอบแทนนะคุ้มค่ากับข้าวกับน้ําของญาติโยมเนี่ยคือบุญวิปัสสนาเท่านั้นนะเขาบุญธรรมดาทั่วไปบุญโยมก็ทํำพอกับพระเนี่ยแต่การที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิบริสุทธิ์มีปัญญาบริสุทธิ์จากวิปัสสนาเนี่ยบุญตัวเนี้ย โยมก็จะได้บุญตัวเนี้ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยังไม่ชัดแจ้งเรื่องเนี้นะ่ะโอ้เรีวยกว่าบาปปฐมเรือปฏิบัติธรรมก็รู้ยากนะโดยเฉพาะพระเนะี่ยโดยสมมุติมาเยอะไงถ้าเป็นโยมก็เป็นเปลือกคุชซาเปลือกอ ง, งุนกินได้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อใช่ไหมถ้าเป็นพระก็เปลือกทุเรียนเปลือกมะพระ้าวโอ้โหไม่มีมีดนี่ไม่ได้กิ น, นอะไรบ้านเลยแต่ถ้าได้ ได้มีมีดนะโอ้ทีนี้สู้พระไม่ได้แล้วทีนี้พระได้มีดเกี่ยกกินได้ทุกอย่างโยไม่มีมีดโยไม่ได้กินเพราะพระทุเรียนในะทีนี้ยกินได้แต่อ ง, งุนกับพุสาเท่านั้นแหลนะนะเปิ่นอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้สําคัญเพราะว่าตัวสําคัญผิดว่าเราเป็นพระเราเป็นมีพรรษาเรานั้นเราเป็นพระครูเราเป็นเจ้าคุณเราเป็นมหาปาเรียนเราเป็นนักธรรมมันห่อหุ้มหมดเลยน ะ, ะเราเท่านั้นพรรษาเหล่านี้พรรษาเขาก็ ตราบข้อไว้ความสําคัญสําคัญผิดตัวเนี้มันก็มีมากขึ้นมากขึ้นถ้าพระยังไม่เป็นวิปัสนาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะไม่สําคัญผิดในสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่าพระในประเทศไทยนี่เท่าไหร่สามแสนสี่แสนรูแต่ละปีเนี่ยแล้วทําไมปัญหาเกิดขึ้นที่บ้านทีเมืองพระบนันที่หมดนะแถมพระสร้างปัญหาซะ อ, อีกนะได้ลบลาลบเลี้ยงกันเนี่ยเพราะสงครามกับพระนี่มันก็จะธรรมดานะที่เราฟังฟังกันเนี่ยเอาแฝงมาบางคนมาถึงกับไม่ไม่กราบพระกันเลยอะไรเนี้ย บางคนไปสร้างสำนักก็ ไ, ไม่รับพระสำนักนี้เหมือนกยมไปสร้างสำนักเองเนะ <c oughs> มีนะไม่ใช่ไม่มีเพราะนั่นจะเห็นว่าไม่ใช่ธรรมดาน ะ, ะไม่ใช่ธรรมดาตอนนั้นอาวาก็ปีนั้นปีสองเก้าแต่ปีสองเจ็ดสองแปดจะมาสากับอยู่พ่ออมเขียนอยู่บนป่าชุกะโตกับป่าท่ามาไฟหวานก็ยังไม่ชัดเจนอ่ะกลับลงมาปีสองเก้ามาจะมาสากหลวงพ่อเทียนคำว่าเก็บอารมณ์สมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมนะ นั่งปฏิบัติร่วมกันไปวันๆเนี่ยคำว่าเก็บอารมณ์เข้มเนี่ยทีนี้ในพรรษานั้นเดือนรักดาจะเข้าพรรษาเนี่ยหลวงพ่อมาเขไปหาหลวงพ่อต่อพรรษาเนี่ยจำภาษากับหลวงพ่อขอเก็บอารมณ์เอาสักกี่วันเอาเจวันกับหลวงพ่อเจวันทีนี้กุฏิหลังที่ปัจจุบันที่เป็นสาชั้น4ี่ชั้นอยู่นั่นเมื่อก่อนเป็นกุฏิไม้สองชั้นหามาก็เขาเก็บอารมณ์ชั้นล่างที่ว่าสนามในให้แม่บุญเยี่ยมสมัยนั้นแม่วิญญามดูแลครัวให้แกเป็นคนสง กับข้าวนะจะอาหารให้ทีในช่วงแรกเนี่ยเราก็นั่งข้างหลังห้องนะด้านอีกข้างนึ่งไปเป็นคลองใช่ไหมแล้ว เ, เอาเอาอีไปนั่งหลังห้องไปนั่งสร้างจังหวะอยู่ได้หลังห้องหลวงข้อก็ไปเดินแอบดูไม่ได้ไม่ไดเไเ้เข้าห้องวันนั้นเราเข้าห้อง เขาหองมันอยู่บนหน้าต่างิดประตูไม่ได้ท่านไล่ปิดประตูหน้าต่างหมดเลยที่นี้ทีนี้มันก็เหมือนจับเสือใส่กรงอะทีนี่นะก็เดินจงกรมไปแต่ละวันก็ดูใครจะมาหาเราใครจะไปมาก็ดูตามช่องรูที่ไหนมันดูออกไปหมดแล้วใจมันออกตัวอยู่ข้างในแต่ใจออกไปข้างนอกนะเอ๊ะทาไปห้าวันหกวันมาวันที่หกเอ๊ะเรามาเดินเหมือนเสือติดจันมันได้อะไรแต่ไหนก็เริ่มสลดตัวใจตัวเองโอ้ห้าหกวันนี้เราเดินไม่ได้อะไรเลยได้แต่จิตส่งออกข้างนอกหมด ก็เลยเริ่มต ah ั้งท่าใหม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็ลุ่มเดินช้าลงลุ่มสังเกตสังกาลุ่มกลับมาหากายใจตัวเองดูไปดูมาไปถึงช่วงตอนสี่สามทุ่มละสามทุ่มสีทุ่มจะนอนเอามาเคยทำหนอมาก่อนก่อนที่มาหาหลวงพ่อเทียนทำหนอกับหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกวรรณมาท่านเนี่ย ทมไยน่นเรียนมหาชุลาเนอะท่านก็เอากรรมฐานหนอไปสอนเห็นเป็นลูกลูเป็นน้ำได้ยินเป็นลูกลูเป็นน้ำได้กินเป็นลูกรูเป็นนามสัมผัสริมรถเป็นลูกรูเป็นน้ำกายสัมผัสยีดอนอนแข็งเป็นลูกรูเป็นน้ำใจนึกคิดเป็นลูกรูเป็นนา้ำได้ลองเคสอนกันแต่ก็จําขึ้นใจนะแต่ว hm. ่าไปทําจริงๆไปกระทบอะไรมันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเข้าไปในใจทุกทีกระโดดกระทบก็กระโดลักกระทบก็ลักหลงกระทบก็หลงอยู่อย่างนั้นนะมันไม่เป็นให้อ่ะ ทีนี้พอไปคืนวันนั้นอนะวันที่วันเก็บอารมณวันที่หกมันหลงเอากําหนดลมหายใจเข้าหนอใช้หนอเอาให้นอนใกล้จะนอนแเรากําหนดลมหายใจเข้าแอยาวตามลมหายใจพอตามไปตามมาเนี่ยจิตของเราที่ตามลมมันปื๊ดดับไปกระลมหายใจเลยตัวแข็งทื่อเลยนี้ จิตมันหลุดเข้าไปข้างในเหมือนจะรู้นะ่ะเหมือนกับไฟมันใกล้จะดับอ่ะรู้อยู่แต่มันดิ้นไม่ได้จออยู่ความรู้นี่จออยู่ที่ที่หน้าอกเนี่ยแต่ดิ้นไม่นอนแผ่วเหมือนกระเทียนมันใกล้จะดับเวลาผ่านไปประมาณสักเกือบชั่วโมงมันเผอกระตูกลมหายใจเข้าพอถูกลมหายใจเข้าฟืดมันดิ้นได้ดิเนี่ยมันออกมาจากอ๋อเราก็คิดตามภาษาของเราเอยอันนี้แรกที่เขาว่าเข้าฌานเป็นแบบนี้หรือป่า เอาลองทําใหม่ดูทําใหม่ก็เข้าได้อีกเนะียทีนี้ก็นั่งทําก็ได้ยืนทําก็ได้ทําเล่นไปงไี้มาทั้งคืนตื่นเช้าเขามาไปหาหลวงพ่อเทียนแต่เช้าเลยไปรายงานอารมณ์ว่าหลวงพ่อผมได้แล้วได้อะไรเนี่เมื่อคืนผมทําาอย่งนี้เข้าอย่างนี้ออกองี้โอ้อยางเงี้ผมเคยสอนมาแล้วรับรองว่าทุกคนทําได้แค่เดือนเดียวผมสอนให้เป็นเลยเพรางั้นเขาเรียกว่าสมาธิตัวแข็งงั้นนะคือการสะกดจิตตัวเองผมเคยทํามาก่อน สอนผมสอนได้เลยว่างั้นเพราะฉะนั้นที่เขาไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นฌานเป็นสมาธิขั้นสูงไม่ใช่หรอกอันนี้ภาะวะกดจิตสะกดจิตตัวเองว่างั้นนะโอ้ไอ้ที่เราฟูมาแฟบไปเลยนะหลวงพ่อไม่ไม่ส่งเสริมเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆนะคุณจะเป็นอามพึกอวมาพลาดได้เพราะทําให้ร่างกายผิดปกติว่างั้นนะเพราะนั้นคุณต้องเลิกถ้าไม่เลิกแล้วคุณก็ทําต่อไปคุณก็ นอกจากไม่รู้อะไรคุณก็ร่างกายคุณก็เสียหายเพราะมันผิดปกติใช่ไหมในการที่เราขาดลมหายใจเป็นช่วงยาวๆเนี่ยจะ ใ, ให้เดือดรมต่างๆในร่า ง, งกายผิดปกติมีโอกาสปเป็นเอรุ้ก็เลิกนะแต่ว่าหลังจากวันนั้นมาเนี่ยมันแท้อารมณ์ดีดีนั่งเดินพอครบเจ็ดวันแล้วท่านอนุญาตให้มาเดินข้างนอกมาปฏิบัติข้างนอกแต่ท่านก็นั่งดูอยู่ที่กุฏิของท่านนละแล้ว สายตาที่หลวงพ่อมองจะมาเปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนเนี่ยท่านแทบจะไม่มองเลยนะเพราะเราเห็นว่าเราไม่เอาจริงเอาจังนะแต่หลังจากวันนั้นมารู้สึกเออท่านเอาใจใส่ดีนั่งสร้างจาังวะอยู่ดีท่านก็เอานมกล่องมาให้บ้างแนละ้วท่านก็เรียกไปทําน้นทํานี้ที่กุฏิว้างเออมันก็มีกําลังใจทีนี้โอ้ตั้งใจทําต่อเนื่องทั้งพรรษาเลยพรรษานั้นปีสองห้าสองเก้าพ่อออกพรรษามาโอ้มันกําลกอารมณ์ดี ถามว่าหลวงพ่อผมขอไปเก็บอบรมที่วัดป่าสุขะโตกับหลวงพ่อคําเขียนออกพรรษาแล้วอท่านก็อนุญาตให้ไปเดือนพฤศจิกาหลวงพ่อคําเขียนเคยไปทำงานร่วมกับท่านในปีสองห้าเนาะเวลาท่างพ่อเขียนไปเปิอดอบอรมที่ไหนก็ไปช่วยท่านที่ในออกพรรษาแล้วท่านส่งข่าวมาเออนี่มาหาวันที่สิบหกเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยผมได้รับนิมนตไปอบรมนักศึกษาอยู่ที่วัดพาราชเชียงใหม่อไปด้วยกันเออวันที่สิบหกแต่ว่า ผมจะขึ้นไปเก็บอารมณ์นั้นสิบห้าวันตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สิบห้าก็เลยไปไปเก็บอารมณ์ไปเก็บอารมณ์ในช่วงได้สิบอวันที่หอไตรวัดป่าสุกโตเนี่ยมันตั้งอยู่กลางป่าในสมัยนั้นไม่จะิญเหมือนสมัยนี้มันตั้งอยู่กลางป่าเรียกก็หอไตราอามาไปเก็บอยู่ท่านมีเอาตังจำได้ว่าตังสามร้อบาทเนี่ยให้ไม่สุดไม่สุดเนี่ยพี่สาวหลวงพ่อคำเขียนอยู่ใกล้วัดน่ะก็ไม่ไม่สุด โยมเอาเงิน3ามร้อยนี้ไว้นะโยมจัดปิ่นโตสง่งอาตมาทุกวันวันน้องมืออะไรจัดอะไรก็ได้เอาภายในวงเงิน300รอยนีเนี่ยนะก็จัดตามภาษาอนะังกฤะปรากฏ ว, ว่าคืนวันที่ส1บอดมันมีนกชนิดหนึ่งที่ออกมาได้ยินแล้วฟังเสียงแล้วกลัวมาตั้งแต่เด็กเพราะนกชนิดนี้ร้องขึ้นเมื่อไหร่เนะี่ยมันมีคนตายมันร้องน่ากลัวนะคืนดึกๆนะยุกดังก้องฟาเลยนะ จุกจู้น่ะเออได้ยินเสียงที่แสดงว่าจะต้องมีคนตายมันเป็นนกผีเขาว่างั้นอนมาก็ฝังจิตมาแต่แต่เด็กๆกลัวทีท่ดึกวันนั้นน่ะนกไอตัวนี้มันก็ออกมาร้องมันเป็นคืนเดือนไห่ร้องอามาก็เออได้ยินเสียงเที่ยวนี้แปลกจิตมันไม่มันไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนเลยที่อยากจะรู้ว่าจิตมันไม่กลัวจริงหรือเปล่า ประมาณสักห้าทุมนะมันได้เสียงร้องเย็นในป่านะแล้วก็ลงมาจากกุฏิลงมาจากกุฏิมันเป็นเดืินหงายนะสว่างแล้วก็เดินตามไปไว่าต้นไม้ที่มันอยู่ต้นไหนเดินเข้าไปพิสูจน์ความรู้สึกของเรามาจะกลัวเดินไปเออจิตไม่กลัวเริ่มได้อารมณ์และ้นะเริ่มได้อารมณ์จนมาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สิบสองประมาณวันนั้นบ่ายสองคือตอนหลังทานเพนเสร็จเนี่ยสักผ้าเอาไปตากนอกไอสลา ประมาณบ่ายสองโมงกะว่าจะไปเก็บผ้าที่ตักเอาไว้มาเก็บพอเอื้อมมือไปที่จะจับผ้าจะดึงผ้าปั๊บเนี่ยไอ้ช่วงที่เอื้อมมือจับผ้าดึงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบอกไม่ถูกนะมันเหมือนกับของอะไรที่มันแบกมาหนักๆตลอดชีวิตแต่มันบุ๊ปลงจากตัวเราไปมันเบาว่ า, าทั้งตัวเลยความรู้สึกของที่สัมผัสในวันนั้นเวลาบ่ายสองโมงของวันที่สิบสองเดือนพฤศจิกาจนมาถึงวันนี้ความรู้สึกนั้นยังเหมือนเดิมอยู่ยในใจของเราเนะ่ย ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเอาไปก็หลวงพ่อเขมเขียนก็ทํางานมาเรื่อยๆก็ทํามาเรื่อยๆหลังจากนั้นมาแต่ละปีเนี้ยมาก็พยายามเก็บเข้าเก็บอารมณ์ตัวเองปีละสิบห้าวันมั่งเดือนมั่งต่อมาก็มีพระมาปฏิบัติตัวก็พาพระทําค่ายทําอะไรเข้าเก็บอารมณ์ตามป่าตามเขามาเรื่อยๆนะไม่ไม่ทิ้งคือพอมันได้อารมณ์แล้วก็อยากจะรักษาอารมณ์นั้นให้นานเขาเก็บอารมณ์ทีหนึ่ง หลายวันนะเวลาต่อมามีพระมาอยู่ด้วยก็พระพาพระเข้าค่ายเพราะนั้นประวัติการเข้าค่ายก็มีตั้งแต่นั่นมาพาพระไปนู่นไปนี่จนกระทึงปัจจุบันเนี่ยทีนี้เมื่อก่อนเ่าจะจัดค่ายประจําหลังจากที่เขาม า, มาสร้างวัดพรสังเทียนแล้วญาติโยมชาวราชเวกัสที่มุนไปสร้างวัดตั้งแต่นั้นม า, มาก็ได้ทําค่ายก็ให้พระที่มาอยู่ด้วยอาจารย์หอมพงศ์อาจารย์ชุริยาอาจารย์เกสินอาจารย์ดงศิลป์อาจารย์คมกิจพวกเนี้เขาก็จัดกันดังนั้น ในการปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตอย่างยิ่งคือความต่อเนื่องของความรู้สึกตัวความต่อเนื่องของความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณพ่อเตียนบอกว่าต้องทำต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แต่เมื่อในหมายหันั่งสร้างจะว่าต่อเนื่องกันทั้งคืนทั้งวันนะแต่หมายถึงว่าเราจะทำอะไรให้ตามรู้ไปไปเรื่อยๆอย่าให้ตัวรู้นี่ขาดช่วงมันจะมีเหมือนเราจุดตะเกียงนะ่ะ เราจะไปที่ไหนถึงแม้มันจะดับไม่ดับก็อยาให้มันดับทีเดียวพอมันได้ปลอดลมปลอดที่มันก็สว่างขึ้นมาอีกในช่วงไหนที่เราออกผ่านแดดผ่านลมไปมันก็เอาเจจะริบหรีทำถ้าจะดับไม่ดับก็ค่อยประคองเอาไว้แต่ไปที่ที่ปลอดลมปลอดอากาศมันก็โปร่งขึ้นมาอีกความรู้สึกประจําวันเขาก็เป็นอย่างนั้นในช่วงที่เราทําการทํางานเนะี่ยมันเหมือนกับมีลมมีแดดพัดไอเทียนฟัดตะเกียงเราเราก็ค่อยปกป้องเอาไว้ไม่ให้มันดับ เหมือนกันตัวรู้ตัวเนี่ยเวลาเราไปทําการทํางานถึงแม้มันจะเหลืออย่าให้มันขาดเลยเดียวมันเหลือน้อยก็ให้มันรู้สึกนน้อยเอาไว้แต่ว่าเมื่ออากาศได้หยุดปฏิบัติมันก็พองขึ้นมาอีกพอนานเข้านานเข้านานเข้าตัวรู้สึกพองตัวนี้ก็ค่อยขยายกว้างขึ้นกว่าความรู้สึกพองตัวนี้เป็นไงมันรู้สึกตื่นตัวแล้วก็มันก็ค่อยกินเที่ของความรู้สึกตื่นตัวกายกับใจเนี่ยมันเริ่มเป็นอันเดียวกันเมื่อก่อนกายอยู่ที่หนึ่งใจคิดไปอีกที่หนึ่งมันไม่เป็นอันเดียวกัน แต่หลังเราจะมารู้สิ่งนี้ทําถึงนี้ทุกวันทุนเหมือนว่ากายกับใจเนี่ยมันเริ่มซึมซับเข้าหากัน <c oughs> ในมารู้ทีหลังมันนึกทีหลังว่าโอ๋อสิ่งนี้มันเป็นกฎขงธรรมชาติกฎขงธรรมชาติอย่างไร <c oughs> เช่นแม่ไก่มันไข่เนี่ยนะมันออกไข่ถ้ามันไม่ฟักเนี่ยโยมคิดว่ามันจะเป็นตัวไหมถ้าไมันเอาเข้าตัวอบนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องฟักเนาะ เขาใช้เครื่องอบใช่ไหมตั้งอุณหภูมิเท่าๆกับไอความร้อนของแม่ไก่มันก็ออกมาเป็นลูกเฉยๆเลยไม่ต้องมีแม่ไก่แต่ในพูดถึงว่าธรรมชาติโดยธรรมชาติเนี่ยแม่มันต้องฟักใช่ไหมโย้ว่ามันฟักกี่วันเออมันมันฟักไข่มันกี่วันมันจะออกเป็นตัวคนที่เคยเลี้ยงไก่สามอาทิตย์เสียอาทิตย์ใช่ไหมก็ประมาณนั้นอันเดียวกันความรู้สึกตัวของเราที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันให้มันชัดเจนให้มันแยกออกมา ให้เห็นชัดก่อนว่าเอออนี้ไข่นะอันนี้ไก่นะเมื่อก่อนไข่เนี่ยมันอยู่ในแม่ไก่เหมือนกับกายกับใจมันมันเป็นอันเดียวกันอยู่กายไม่สบายใจก็ไม่สบายด้วยถ้าใจไม่สบายกายก็ไม่สบายด้วยแต่พอมาเจริญสติรู้รูปนามเนี่ยเหมือนได้ว่าไก่ออกไข่แยกแม่ไก่กับไข่ออกจากกันได้เนี่อรู้รูปนามเออนี่เป็นความรู้สึกนะอันนี้เป็นความคิดนะเบื้องต้นให้รู้แค่นี้ก่อนความรู้สึกคือคือทํามันมันชัดเวลามื่ความคิดเข้ามาก็เห็น เหมือนไข่ออกมาจากไก่ความรู้สึกโดยสัญชาตญาณเนี่ยเหมือนแม่ไก่แต่ความรู้สึกที่เป็นปัญญาญาเน่ยมันเหมือนไข่มันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ไข่ออกมาแต่พอไข่ออกมาแล้วนี่ครบอ่าจะสมมุติบางแม่ก็ได้8ลูกบางแม่ก็ได้9ลูกบางแม่ก็ได้10ลูกเงี้ยนะแล้วถึงเวลามันก็กกกกได้ประมาณสองสามอาทิตย์มันก็เริ่มออกใช่ไหมแต่ถ้าแม่ไก่ตัวไหนไม่ขยันกกได้นิน่อยมันก็โดดไปหากินเนี่นะพอครบยี่สิบเวันน่ย ลูกมันแทนที่จะออกครบนะ่ะมันออกไม่ครบสมมุติเด้อนสิบลูกมันออกซะสามลูกห้าลูกนะอนาคตแม่ไก่ของตัวนี้ไม่ดีแล้วเพราะอะไรมันฟักลูกไม่ดีมันจะต้องไปฟักในหม้อแกง <laughs> มันฟักในเังมันขี้เกียจต้องไปฟักในหม้อแกงอะไรนี่นะอันนี้ดนะึงชาวบ้านนะนะเขาจะทําอย่างนั้นมันเลี้ยงลูกไม่ดีตัวนี้เอาไปแกงซะ เ, เหมือนกันถ้าเราจะโดยสตินะเราไป ร, รักษาตัวรู้สึกตัวนี้ไม่ดี พอทำท่าจะได้อะไรอารมณ์ดีหน่อยเอาไปทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมไปละจนกระทั่งว่าหลายปีผ่านไปตัวไข่มันเริ่มไม่ดีแล้วไม่ออกสติที่มันเคยมีมาแล้วมันเริ่มมันเริ่มฝ a เขาเรียกเป็นธรรมะมันกำเริบเป็นกุปรมมันเริ่มฝอเพราะเราไม่รักษาให้ดีแต่นั้นที่เรามาวันนี้ก็คืเรามาสร้างาไข่สักสามวันสี่วันนี้เรามามาไข่ อีกสองสามวันหลังเนี่ยเราจะมีการเก็บอารมณ์เข้มเลยนะก็มันกกไข่กกเพื่อที่คําว่ากกที่หมายถึงการสํารวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเคยแส่ใสออกไปนอกเนื้อนอกตัวเนี่ยให้มันกลับมาเฝ้าดูกายกับใจให้ชัดๆเมื่อกายกับใจได้รับการดูแลไปเรื่อยๆเหมือนแม่กไก่มันคอยกกอยู่ขณะที่แม่ไก่กกอยู่เนี่ย <c oughs> อุณหภูมิตามโบติที่จะให้ไก่มันไข่มันแตกออกาเป็นไข่เนี่ย อุณหภูมิตั้งแต่ส4มสิ0ี่สิบห้าสิองศาขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะไขในลูกแล้วมันถึงจะแปลสภาพออกมาเป็นไก่ได้พอถึงเวลานั้นไอ้ตัวข้างในมันก็จิกออกมาแม่มก็ช่วยเขี่ยวทีหนึ่งันใดก็ดีในเมื่อเรากกความรู้สึกตัวคอยสำรวมระวังไม่พูดไม่คุยมากนักไม่เล่นไม่ ทําทอะไรที่ปล่อยจิตปล่อยใจเป็นมักนักคอยระมัดระวังอยู่ในใกายในใจตลอดในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยตัวรู้สึกตัวนี่มันก็จะเข้มแข็งเหมือนลูกไก่อยู่ในไข่พอมันเข้มแข็งมาไข่ตัวนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นทีนิดนิดในช่วงที่เราตัวรู้ที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยมันค่อยเปลี่ยนเป็นตัวรู้ที่เป็นปัญญาญาณทีเล่นิดล่นิดเมื่อความรู้ที่เป็นปัญญายานเข้มแข็งแล้วมันก็จะไปจิกเอาเปลือกคืออวิชชาออกมา เกือวิชามันแตกคือความรู้ไม่รู้ความเพลินความหลงความอะไรต่างเนี่ยมันเริ่มถูกตีออกละเพราะเราไม่เข้าไปในมันถ้าออกมาจากมันแช่เหมือนไก่ที่ออกมาจากไข่ตอนนี้ออกได้หรือยังออกจากความเพลินความเหือได้บ้างหรือยังบางคนทําท่าจะเป็นไข่ไม่แตกเลยนี่ <laughs> ยังอยู่ในความเพลินความเผือด้คิดอยู่นานอยู่เนี่ยอันนี้ยังยังเนะีย่ยออกจากไข่ไม่ได้นะต้องกกต่อไป ต้องกกไข่ต่อไปกกหลายรอบกกไปกกมากลายเป็นไข่อะไรไข่เน่าแลือไข่ด้านเนี่ยอันนี้ขาดทุนแน่นะเพราะฉะนั้นต้องกกให้มันเห็นแล้วไก่แม่ไก่ที่มันฉลาดนะกกมันก็ค่อยๆใช่ไหมลูกลูกไข่ตัวไหนที่มันออกจากกกมันมันก็เขี่ยเข้ามาตะล่อมเข้ามานะบางที่มันหวงไข่มันเนี่ยตะล่อมเข้ามาให้อยู่ในให้ปีกของมันครอบทั้งหมดเพื่อไออุ่นหองมันจะได้อกเหมือนกัน คนไหนที่ฉลาดในการปฏิบัติกายวาจาทำท่าจะแฉลัออกไปข้างนอกเนี่ยมันค่อยต้อนเข้ามาเนี่ยจะพูดกับใครจะทํำอะไรกับใครก็ก็เร็วค่อยคอยคอย่คอยต้อนค่อยตล่อมติดเข้ามาในะปัจจุบันทําอย่างงั้นฟังหรือเปล่าเรื่องทำนั้นถ้าไม่ทํางนั้ น, นะนเด็กไข่ไม่ออกแ น, วน่ว่าน้ข่าไปต้มแน่ว่านะ้ำนะกิเลมันต้มสุกเลยแล้วนะเออเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของลึกซบัซบซ้อนอะไรเป็นเรื่องวิถีของธรรมชาติเลยนะใช่ไหมวิถีของธรรมชาติแต่ว่าเราเนี่ยไปคิดเอาอ่ะ ไปคิดเอาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันก็ทําให้เราสติสัมปชัญญะเปรียบเสมือนไข่สติสัมมยะที่เป็นปัญญายาณเปรียบเสมือนไข่สติสัมปชัญญะที่เป็นสัญชตาตญาณเปรียบเสมือนแม่ไก่มันอาศัยกันนะเราบอกว่าไม่ดีไม่ได้สติปัญญายาณของเรามันจะพัฒนา ม, มาเป็นตัวนี้ได้มก็อาศัยสัญชตาตญาณนั่นแหละสัญชตาตญาณหมายความว่ามันรู้ นั้นรู้นี้แต่ว่ามันรู้ไป น, นอกตัวท่านเองนะแต่พอ ร, รู้กลับเข้ามาในตัวแล้วก็เกิดกันไข่ทีนี้ในช่วงที่เรารักษากายรักษาใจไปด้วยกันเนี่ยพยายามใช้พยายามใช้ความเพียรที่ถูกต้องที่ได้กล่าวมาต้งเช้าว่าความเพียรที่ต้องคือมันรวัดระวังอย่าให้ไข่มันออกไปจากไอ้วงที่มันครอบนะระวังไอ้ตัวไหนไข่ตัวไหนมันจะออกไปกระตอมเข้ามาอสองถ้าหากว่ามันอยากจะไปหากินนอกหลังเนี่ย แต่บางตัวมันอยากไปก็บินไปเลยนะมันไม่ได้รักษาอะไรอันนี้ต้องระวังจิตของเราที่มันจะหลุดส่งออกไปข้างนอกเนี่ยถ้ารู้ว่ามันจะจิตไมันจะส่งไปข้างนอกมากก็ไปดึงกลับเข้ามาตะอมเข้ามาสามพยายามกบอยู่กับที่นานๆกบเพื่อให้ไอายุ่นมันต่อเนื่องอ่านะี 4, เมื่อไอายุ่นต่อเนื่องดีแล้วก็ให้รักษาจนกระทั่งว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในไข่ เราแกล้งคารักษาความเปลี่ยนไปได้วยจิตของเราก็ค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากเคยคิดมากก็คิดน้อยลงเคยขี้เกียจก็เออเลืกสึกขยันขึ้นนะเคยอชอบพูดชอบคุยก็คุยน้อยลงนะเคยกินมากตามใจก็กิน ม, กมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลายๆอย่างนะเปลี่ยนไปที น, นี้ทีนี้จนกระทั่งว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปเขาว่าจิตเปลี่ยนในภาษาของวัฒนธรรมไทยเขาว่ า, าจิตมันเปลี่ยน จิตมันเปลี่ยนมากขึ้นมาขึ้นในที่สุดตัวตนของเราที่เคยมีอยู่เนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยก็เปลี่ยนแต่คนละคนทีนี้เขาแล้วได้เกิดใหม่เกิดในอริยชาติท่นว่าจากาเป็นสิงสารสัตว์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยสัตว์สุดท้ายที่เราจะเป็นอริยะเป็นโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นอริยสัตว์ต้องผ่านโพธิสัตว์คําว่าพระโพธิสัตว์ในความหมายของ เถรวาทก็ไม่ได้หมายถึงโพธิสัตว์อย่างที่เขาบาเพ็ญบารมีกันหลายแสนในสมกับโพธิสัตว์หมายถึงว่าเราเนี่ยมันยังไปคล่องในความรู้อยู่คล่องในปัญญาอยู่จะคนเราส่วนใหญ่มันก็รู้มก็อยากจะอดความรู้เนาะมันก็ยังโชว่าฉันรู้นั้นรู้นี้อันนี้ยังคล่องอยู่ผู้ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งมันไปคล่องในความรู้เช่นไปติดวิปัสสุวิจินตยานติดวิปลาส พวกนี้ไปคลองในความรู้คือหมายความว่าเปิดอะไรรู้อะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเข้าไปสําคัญเนอะเออเรารู้แล้วแล้วก็โดดเข้าไปใช้ความรู้คิดปรุงแต่งอบรมสั่งสอนเอาความรู้นะั้นมาบอกเพื่อนอย่างน้นอย่างนี้ไปในสี่สุมันก็ลืมตัวอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าคลองในความคิด <c oughs> วิธีแก้ทําไงเวลามันเกิดภาะวะปีติเกิดความอรู้นะั้นรู้นี้เกิดปีติขึ้นมาตามภระาหลวงพ่อเทียนเรียว่า เข้าไปในความรู้เข้าไปในความคิดนั้นเมื่อเข้าไปแล้วก็พยายามรู้เนื้อรู้ตัวท้่ออกมาอยู่กับลูกก้านน้ำรู้ว่าเออตัวนี้เราคิดมันมันมันไม่เคยอะเมื่อก่อนความคิดอย่างนี้มันไม่มีมันรู้อะไรแปลกแปกใหม่ๆเป็นนิมิตเป็นสีเป็นแสงเป็นที่เป็นเดดออกมาให้เห็นทีเดียวเพราะจิตตัวนั้นมันมีความเพียรกล้ามันก็จะมีสมาธิสูงมีความเพียรกล้ามีสมาธิสูงก็ทําให้เกิดปิติเป็นนิมิต อะไรออกมาซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็มักจะไปหลงในมันนี่ก็แล้ีกว่ิตจะไปคล้องเป็นโพธิสัพย์อยู่ทีนี้เราก็มาอยู่กับตัวรู้สึกตัวให้เป็นโพธิเฉยเป็นโพธิธรรมมาอยู่ตัวรู้รู้สึกตัวเฉยเนี่ยตัวรู้สึกตัวชื่อชื่อเฉยเฉยเนี่ยมันเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าโลกุตระปัญญาเพราะตัวรู้ส่วนใหญ่ที่เรารู้มันรู้แล้วมันคิดไปใช่ไหม แต่ตัวรู้ตัวนี้มันรู้แล้วไม่ต้องคิดรู้แล้วก็ดับความคิดได้เป็นตัวรู้ที่ที่ลึกลงไปไม่ความรู้ที่ส่องออกมากเป็นตัวรู้ที่กลับเข้ามาเราตัวรู้ตัวนี้มันก็ค่อยเอามาฝึกฝนตัวเองเอาตัวรู้ตัวนี้แต่ตัวรู้ที่เป็นโลกิยะปัญญาเนี่ยมันเป็นความรู้เพื่อที่จะไปรู้สิ่งข้างนอกตัวเองรู้เพื่อจะไปสั่งสอนคนอื่น รู้ที่จะเอาบอกคดีให้คนอื่นแต่ไม่เอาดีใส่ตัวเองแต่รู้ที่ไปรู้กุฏิปัญญามันรู้เพื่อจะมาฝึกฝนตนเองเห็นปุ่มเด่นปุ่มด้วยของตัวเองเห็นความดีความชั่วของตัวเองเห็นความไม่เอาไหนของตัวเองแล้วรู้ยอมรับเมื่อก่อนความรู้อันนี้ไม่เกิดมันไม่ยอมรับนะตัวแย่ขนาดที่เขาว่าตัวดีอยู่ใช่ไหมมองไม่เห็นด้วยตัวบกพร่องตัวไหนตัวด้อยมองไม่เห็นแอกอะไรมันก็ดีหมดอะ แต่เรามองว่าเห็นแต่คนอื่นเขาเห็นแห่ะคนอื่นเขาแต่ความรู้ชนิดเนี้ยมันจะเข้ามาฝึกฝนตนเองแล้วก็รู้ว่าเออมองตัวเองตลอเวลาแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วค่อยปรับแก้ปรับแ ก, บแก้คนที่สอนยากที่สุดคือใครรู้ไหมตัวเราเองนี่แหละถ้าพุทธเจ้าสอนได้ไหมถ้าพุทธเจ้าสอนได้ก็สอนพระเทวทัตบรรู้ธรรมเลย สอนพระเจ้าอาชาติทุกูุกเรื่อก็ยังสอนว่าพระพุทธเจ้ชาชี้ทางให้เราเท่านั้นเมื่อเราไปพบขุมปัญญาแล้วเราจะเอาปัญญานี่ยมาสอนตัวเองกระพุทธเจ้าท่านบอกท่านชี้ทางเท่านั้นนะถ้าไม่ได้สอนนะข่าตาโรแตร่ท่าคาตาปฏิปันาปโมก ค, คติชา ย, ยนโน ม, มาแล้วพันธนาวนะ่าว่าเราแต่ท่าก็เป็นเพียชี้ทางบอกเท่านั้นนะผู้ใดที่เอาไปทํา ไปพิจารณาตามคำสอนของท่านอย่างถูกต้องผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์หรือพ้นจากบ่วงแห่งมาร น, นะเพราะฉะนั้นตัวเราเองนี่สอนยากที่สุดถ้าเราไม่บำเพ็ญโลกุตตรปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสอนตัวเองไม่ได้เลยงั้นพวกล็อกโดยสัตวจาริยจบประโยชนเก้ามัก็บรรลุทําบรรลุเลยใช่ไหถ้าความรู้ชนินี้สอนตัวเองได้ที่ไหนได้พวกนี้ยังยิ่งสอนยากที่สุดเลยนะถ้าเราไม่สอนตัวเองไม่ได้ใครจะมาสอนเรา ทีนี้อาการที่จะสอนตัวเองได้ไหมายความว่าจะต้องได้ปัญญาทีิดนี้ก่อนก็เรียกว่าโลกุตรปัญญานี่เราต้องการตัวนี้นะพุทธิเจ้าวันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าประจําในใจของคนทุกคนเราต้องค้นหาตัวภาวะธาตุรู้นี่แหละคือตัวพุทธะเราก็ทําภาวะหรือธาตุรู้คือพุทธะเนี่ยให้มันถูกให้มันเป็นสมัยสัมพุทธะแต่เราไม่ใช่ตัวสมัยสมพุทธะนี่คําว่าสมาัยสมพุทธะแปลว่ารู้ถูกต้องรู้ถูกต้อง สัมมาไปว่าถูกพุทธะไปว่ารู้สัมมาพุทธะเนี่ยไปว่ารู้ถูกต้องรู้อะไรถูกต้องทุกกายอ่าถูกต้องรู้ใจถูกต้องไม่สําคัญกายไม่สําคัญใจว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาแต่เห็นว่ากายกับใจนี้เป็นเพียงที่ตั้งของทุกเป็นที่ตั้งของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นที่ตั้งของความแตกดับให้รู้อย่างนี้แล้วก็ถอน <c oughs> ถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากตัวเอง แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้มันดีฝึกกายให้มันดีฝึกวิจ า, าให้มันดีฝึกความคิดสติปัญญาให้มันดีขึ้นนี่แล้วก็เราก็ภาวะพุทธะก็เติบโตเป็นโพธิปัญญาแทนที่จะเป็นโพธิสัตว์นะนะเป็นผู้ที่ปัญญาละนั่นก็คือตัวที่จะทำให้เรารู้แจ้งในตัวเองแล้วก็ไปเอาประสบการณ์ที่เรารู้ขั้นตอนขบวนการ่เรรู้เนี่ยไปบอกให้คนอื่นอีกทีนึง คนอื่นเขาก็มีทุกเหมือนเรามีห้าสี่ขันห้ายะตะนาสิบสองเหมือนเราเพราะนั้นมันก็รู้เหมือนกันนะั่นแหละมันก็สามารถรู้ได้เหมือนกันทุกคนแต่จะรู้ได้มากได้น้อยได้เร็วได้ช้าขึ้นอยู่กับความคุณสมบัติของเราหนึ่งเรามีศรัทธาเพียงพอไหมสองเรามีความเพียรเพียงพอไหมสามสติสติปัญญาของเราถูกต้องสมปกติไหม ถ้าเรามีความเพียรมากมีศรัทธามากแต่สติสมาติปัญญาเราพิกลพิการอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าเป็นพวกโรคจิตโรคประสาทโรคอะไรต่างๆที่ไม่ได้รับการรักษายาเสพติดมาทําก็ยากอยู่แต่น้องจิตปกติที่มีสติสมรยบปกติอันนี้คือวิธีการปฏิบัติในวิธีแบบนี้มันไม่ยากและก็มันก็ไม่ง่ายแต่อาศัยอะไรความรัก ที่จะทำนะแล้วมีใจที่อยากจะทำนี่เรียกว่าความรักในตัวเองนัตติอัตตะสมังเปมังไม่มีใครรักตัวเราเองเสมอตัว เ, เองแต่ไม่ไม่มีคนอื่นที่จะมารักเราอย่างที่เรารักตัวเองไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยความรักตัวเนี้ยม า, ารักในการกระทาอันที่สองก็ต้องมีความเพียพรพยายามที่ถูกต้องที่ได้กล่าวมาแล้ว ใเมื่อเราทำสองตัวเนี่ยมีความรักแล้วก็มีความเพียรที่ถูกต้องปั๊บตัวสติสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นเอง <c oughs> แต่ทำสองตัวให้ถูกต้องกันนะความศรัทธาที่ถูกต้องและความเพียรที่ถูกต้องก่อนปรับสองตัวนี้เข้าเรียกกันสามตัวนั้นก็เกิดตามมาเพราะฉะนั้นลึกๆแล้วนะเอาข้อสองสองตัวเนี่ยศรัทธาทิกะกับวิริยาธิกะสองตัวนี้ถูกต้อง ปัญญาทีกาก็เกิดขึ้นเองนะดังนั้นในตัวเรานี่มีพระพุทธเจ้าอยู่สามองค์เราจึงจะเกิดจะรู้หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ชื่อว่าสรัทธาที่กะมีความรักความดูแลเอ็นดูสงสารตัวเองที่ตนเองนี่มันทุกข์มานานแล้วทุกข์มามากแล้วจะทุกข์ไปทำไมอีกไม่สงสารตัวเองเราก็ต้องสงสารตัวเองที่มันทุกข์เพราะอะไรอ่ะทุกข์เพราะกิเลสตัณหาอุปาทานกา็พอเรารักตัวเองแล้วก็เอากิเลสตัณหาอุปทานออกไปนะ อันนี้ไม่คิดว่าเรารักตัวเองเราจะออกมาได้ต้องมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องเพียรระวังในสิ่งที่ไม่ต้องการอย่าให้มันเกิดเข้ามาอันไหนที่มันนว่าระวังแล้วมันก็ยังยากอยู่มันเพ้อเกิดจนได้มันก็ตัดออกไปแต่ในส่วนที่ไหนมันดีๆอยู่ก็เพิ่มกําลังของความกําลังของสติให้เพิ่มขึ้นส่วนไหนที่มันเพิ่มขึ้นแล้วดูแลรักษาต่อไปให้มันดีนะอันนี้คือกระบวนการของการฝึก ในความหมายนี้จะยกตัวอย่างของหลวงพอ่อกรมบงังตัวนี้ทนะ่านอายุเก้าสิบี่เก้าสิบ้าแล้วนะนเดินหลังค่อมพ่องอยู่วัดป่าสุขตัวจนะไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่นะไหนเมื่อก่อนอยู่กับหลวงพ่อคาเขียนอยู่กัฐา ม, มาก่อนนะที่วัดถ้ำนะแล้วก็ของธารมายังก็บางส่วนที่ทํามาให้รู้ในวิธีการของพรเทียนถ้านยาประสบการส่วนตัวเนะมื่อเราให้ฟังเนะี่ยมากกว่าไปอ้างคมภีร์นะอ้างคัมภีร์ไปดูหนังสือผ่านมาหลายพันปีแล้ว แต่ประสบการณ์ของส่วนตัวเนี่ยมันก็เพิ่งเห็นกันไัยวันี่แหละมันก็ยังไม่เลอะเลือนมันก็ยังจําได้อยู่นะว่าเราผ่านอะไรมานะ น, นั้นเองเบื้องต้นก็จึงว่าให้ลําดับให้ดีและวางว่าเอออันนี้รูปอันนี้นามอันนี้กายอันนี้ใจลึกเข้าไปหน่อยอันนี้ความรู้สึกสบาย น, นี้ความรู้สึกไม่สบายลึกลงไปหน่อยว่าเออ น, นี่เป็นความคิดอันนี้เป็นความรู้สึก ลึกเข้าไปอีกหน่อยอันนี้ความคิดล้วนๆอันนี้ความรู้สึก org. ล้วนๆอันนี้มันมีความรู้สึกกับความคิดมันยังปนกันอยู่นะตอนแรกก็มีความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนานี้ก่อนต่อไปก็เป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกใจมันก็ต้องมีเวทนาทางใจชอบไม่ชอบแล้วก็มีความรู้สึกเฉยๆอยู่ก็เริ่มแยกออกกันเป็นอย่างเปอย่างไปในส่วนไหนที่เราอยากจะให้มันเติบโตอย่างความรู้สึก สมดุลชื่อๆตรงๆชัดๆสว่างสวัยสบายๆเนี่ยอยากให้ความรู้สึกเนี่ยมันดำรงอยู่นานๆเนี่ยทำอย่างไรเราก็มาสร้างเราโชคดีตรงที่ว่าเราได้การสร้างจังหวะเป็นเครื่องมือซึ่งเมื่อก่อนเราทำกัน <c oughs> ส่วนใหญ่เราได้อะไรกลัวหายใจใช่ไหม ลมหายใจบางยุกเนอพองเนอบางพุโทโธบางสัมมาระหังบางตกกู้ประคำบงอะไรเป็นเครื่องมือซึ่งมันก็ทดสอบมาแล้วหลายคนก็ยังไม่เหมาะกับอินทรีย์ของตัวเองเพราะอินซีของเราบางทีมันหยาบแต่กรรมาฐานอย่างลมหายใจแต่ละระบบเนี่ยเป็นกรรมาฐานที่ละเอียดแต่อินซีของเรามันหยาบหมรยความว่ามันยังอารมณ์มันแรงมันคิดแรงอยู่มันคิดเร็วอยู่มัน วายอยู่มันเยอะไม่แนบไม่เนียนไม่เย็นพอเราจะใช้แต่อานาปานสิลมหายใจเนี่ยมันไม่พอต้องเพิ่มเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มบรีบทสีเข้าไปเพิ่มบรีบทย้อยเข้าไปเพิ่มเรื่องธาตุสีเข้าไปออกมาเป็นความรู้สึกคําว่าเพิ่มหมายความว่าเข้าไปดูอาการของการเคลื่อนไหวของกายอ่าโดยเราใช้ที่หลวงพ่อเทียนท่านออกแบบมาเป็นการสร้างจังหวะกำนนลังโจงกร่ม การสร้างจหวะคือทำแบบอย่างที่ว่าเนะี่ยคือทำแบบสบายๆแต่บางคนก็พยายามประดิบประดอยให้อย่างโน้ย อ, อย่างนี้ไม่ใช่ละแต่สูตรหลวงพ่อเทียนก็คือสูตรของท่านเราก็ต้องทำตามนั้นแหละหมายความว่าได้รับการพิสูจน์ได้รับการตรวจสอบได้รับการพิสูจน์มาอย่างดีแล้วว่าเออ ย, ยกมือสิจังหวะ น, นี่แหละมันสามารถจะลําดับความรู้สึกความคิดที่มันกระจัดกระจายไปต่างๆนี่ให้มันมาเป็นชิ้นเป็นอันมาเป็นแถวเป็นแนวได้ นะอย่างเสือผืนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนมันคือเส้นใยต่างๆที่เคยจัดกระจายอยู่แถ่ไหนไม่รู้แล้วเขจับมาถักทอเพียเส้นละเส้ น, สนมันกลายเป็นผืนเสือแม้แต่ผ้าที่เราใส่อะมันเป็นเส้นได้เล็กๆใช่ไหมเป็นม้วนเป็นนี่อยู่ที่ไหนไม่รู้เขาจับมาเรียงสมัยเป็นเส้นเป็นเส้นมันกลายเป็นผืนผ้าให้เราได้ใส่ใช่ไหม ทีนี้ความรู้สึกทั้งความรู้สึกความคิดของเรามันก็กระจัดกระจายจเหมือนกนันก็จับมาถักมาทอด้วยกันนี่คืออันนี้คือกี่นี่นกี่กระตุกถักความรู้สึกไปทีละเส้นและเส้นและเส้นและเส้นนะจนกระทั่งเป็นฐานเรียกว่าอะไรสติปฐานอ่าจับความรู้สึกตัวมาถักมาทอในทะีลเส้นเส้นกลายเป็นฐานของสติเรียกว่าสติปฐานนะ เพราะนั้นาการยกไม้ยกมือใครขี้เกียจทาก็เหมือนคนขี้เกียจทอหูกันนะไม่ได้ใส่ผ้ากับเขาสมัยก่อนต้องใครอยากใส่ก็ทอใครทอมันได้嘛เอเดี๋ยวนี้ไม่อยากคุณมีตมังก็ไปซื้อมาใส่ยาวสวเท่าไหร่ก็ได้นะเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจมีอะไรถามแต่ จ, จบละเข้าใจหมดแล้วนี่นะเนี่ยเราทําให้ลมหายใจมานานนะเพราะนั้นคนที่ลมหายใจมานานนะ่ยมันไม่ชทิ้งได้ง่ายๆนะแต่มันไม่ใช่ของเสียนะของดีแต่เราทําเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเอง ลมหายใจแก่อย่าไปเพ่งมันหายใจเฉยๆออกก็ยังทําอยู่โดิปไปไหนก็หายใจเข้าหายใจออก <c oughs> ทำมาหายใจแล้วเสร็จเลย <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้เพ่งเล็งให้มันเฉพาะเรื่องมันเนท่านั้นนะนะรูท้ทั่วๆหลวงพ่อพเทียนบอกพับตาเอาปากหายใจเดี๋ยวใจไหลขวายุง่งลุมเงอห ย, ยิบยัจับช่วยใช่ไหมเพราะเขาว่าดูหลายๆอ่านไปพร้อมกันแต่ทั้งหมดนั้นมันเหลือแค่สองคืออะไรรวบรวมแล้วมันมีแค่สองอาการมัน เราจะเคลื่นไว้มันมีแค่สองรู้สึกสบายและไม่สบายแค่นั้นเองดูรวมๆแค่นั้นระหว่างความรู้สึกสบายกับไม่สบายเนี่ยอันไหนมีมากกว่ า, วาใช่ไหมไม่สบายมันมีมากกว่านั่นน่ะเห็นความจริงแล้วว่าทุกใช่ไอ่าทุกต้องการบดรู้ใช่ไหมความไม่สบายเนี่ยให้รู้จักมันนี่ว่าทุกต้องการบดรู้ให้รู้จักมันมันไม่สบายอ่านั่งนานก็กระโดกกระเดกแล้ว ยืนนานก็ไม่ไหวแล้วปวดเมื่อยใช่ไหมเนี่ยนั่งมานานแล้วก็อยากจะลุกแล้วทีนี้นน <laughs> ทุกเห็นไหมเห็นทุกชัดไหมอ่าเราก็พลิกไปพลิกมาแต่ก็ตามรู้มันไปเรืเ่อยในที่สุดมันก็เป็นเรื่องความจริงในตัวเรานี่เองเนาะตัวลงไม่มีใครสงสัยแสดงว่าได้ลงตาเห็นทํากันเรียบร้อยแล้ว <laughs> อันพรุ่งนี้ก็ว่าเรื่องปรมัติ์ไปต่อเลยเข้าใจลุ่มนามคือแยกออกว่าเออ นี่กายนี่ใจนี่ความรู้สึกหนักรู้สึกเบาความรู้สึกคิดไม่คิดดูแค่สองอย่างนี้แหละอ๋อขวาว่าที่ไม่คิดเป็นอย่างนี้ให้รู้ชัดชัดแต่ถ้าเราไม่เจริญสติคิดก็ไม่รู้ไม่คิดก็ไม่รู้มันเต็มไปด้วยโมหะใช่ไหมแต่พอเรามาเจริญสติแบบนี้อ๋อคิดมันเป็นอย่างนี้เนาะทำให้ใจเราออกไปทำให้ลืมสิ่งที่อยู่ใกล้กลอ๋อไม่คิดมันเป็นอย่างนี้เห็น ไม่คิดก็รู้อ๋อจิตไ ม, ไม่คิดไปอย่างนี้นะโปร่งโปรงใสใสว่างๆไม่มีวิตกกังวลไม่มีคิดหน้าคิดหลังไม่มีอะไรที่มันค้างรู้สึกโปร่งเบาสบายอ๋อให้เห็นภาวะอย่างนี้นะมันก็แยกออกภาวะรู้ไปอย่างนี้ภาวะไม่รู้ไปอย่างนี้เภาวะหนักไปอย่างนี้ภาวะเบาเริ่มเห็นแยกออกแยกออกนี่มันจะรู้ไปอย่างนี้เรียกว่ารู้รูปนามเห็นแยกแยกออกระหว่างรูปกับนามระหว่างกายกับใจระหว่างรู้กับไม่รู้ มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันก็จะดูแค่สองอย่างเนี่ยใครเรียกว่ารู้รูปนามแต่ถ้าหากว่ามันยังลืมของสองอย่างเนี้ยถือว่ายังไม่รู้รูปนามคุณจะปฏิบัตินานขนาดก็ถือว่ายังไม่รู้แต่ว่าปฏิบัติไม่นานหรือไม่นานก็ตามแต่สามารถเห็นของสองอย่างเนี่ยไปได้วยกันชัดในฐานะว่าหนักเบาสบายไม่สบายสุขทุกข์คิดไม่คิดห่า เห็นสองอย่างนี้ไปเรื่อยๆกันจน ก, กระทั่งมันคุ้นเข้าคุ้นเข้าคุ้นเข้ามันก็เริ่มเห็นอารมณ์อ่อย่างพูดตอนตอนกลางวันนะสมัยก่อนที่ยังไข่ ย, ยังไม่ได้ต้มเนาะเปลือกไข่กับขไข่เป็นอันเดียวกันถ้าไข่แตกไปก็ไอ้ข้างในก็เละไปเลยนะแต่พอมาเอ า, ขาไข่ไปต้มเออเปลือกมันแตกแต่เนื้อไม่เละนะเนื้ อ, อยังเป็นก้อนเหมือนเดิมเลยเห็นไหม เหมือนกันนะพอเราเอาความเพียรมาอบมาบ่มมาลมมาเฝ้าดูกายบ่อยเข้าบ่อเข้ามันริแยกออกเปลือกเข้ามันคือความไม่รู้เป็นอย่างงี้นะเอตัวรู้อมันเป็นอย่างงี้นะเอาตัวคิดเป็นเปลือกเข้ามันมันเป็นอย่างนี้เอตัวรู้สึกตัวมันเป็นเนื้อไข่มันมันแยกใครเหตุเนี่ยลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเองวิธีการปฏิบัติเวียดแบบหลงพ่อเทียนเป็นธรรมชาติมากๆเห็นลุบธรรมอย่างไรก็อามาสอนนามธรรมเห็นนามธรรมอย่างไรก็เอาไปสอนรูปธรรม เดว่าะต่ว่าเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำนามทำนี่สภาวะในวิธีการโัวเทียนเนี่ยเห็นรูปทำนามทำว่าเห็นรูปทํางานทำยังไงเห็นนามทางานทําอย่างไรเห็นรูปทำนามทำต่อไปก็เห็นทุกชัดขึ้นอ๋อทุกมันชัดมันเป็นรูปโลกโอ๋อบางที่จะสติปัญญายงไม่พอไม่สามารถจะให้สกัดกั้นแค่ทุกอยู่แค่รูปได้มันก็หลงแล่เข้าไปสู่นามก็เรียกว่านามโลกถ้าเราล็อกมันอยู่แค่กายได้ก็เรียกรูปโลก อ๋อเอาไม่อยู่สติไม่พอเอาไหลเข้าไปสู่ใจเผลอชอบไม่ชอบเป็นนามโรกแล้วอ๋อเห็นไหมเห็นรูปโรกนามโรคเห็นรูปธรรมนามธรรมเอาทําไมมันมีอ่ะมันจากไหนอ่ะอ๋อรูปโรกมันเกิดจากกฎของอนิจจงใช่ไหมทุกขังนัตตาแล้วเราสติปัญญาที่เราเพ่งเนี่ยยังไม่พอกําลังยังไม่พอไม่สามารถสกัดกั้นอ น, นิจจ์ทุกขังนัตธรรมันอยู่แค่กายมันไหลสู่จิต เป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบก็เฉยๆจากอันนี้จังทุกครั้งหน้าตา ม, มาเป็นความรู้สึกชอบอันนี้เป็นนามโลกแล้ ว, ลวเราก็ตามรู้เข้าไปอ่ารู้อันนี้จังทุกขรังหน้าตาอ่ารู้ขันห้าไปเรื่อยๆแล้วที่นในสู่หลงงพ่อเทียนนะเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าถ้าหลักตามนี้ไม่มีหลงอนะ่ะไม่มีหลงแต่ว่าต้องทําทําให้ถูกนะแต่มาสอบอารมณ์วันนี้ปรากฏว่าบางคนตามทําตามที่อาจามาบอกเเข้าใจได้เลยนะแต่หลายคน ไม่ได้ทำตามเราทำไปตามเดิมของตัวเองไงแหละตัวเองเคยทำเนี่ก็ทำอย่างนั้นไม่จะทำตามที่ที่บอกมันก็ยากหน่อยนะแต่ที่บอกนี่หมายมันมันไม่ได้คิดมาบอกกันหมายควาเราประสบการมาอย่างเงี้ยนำะมาบอกกันเนี่ยประสบการมาสบสามสิบปีเนี่ยมันก็เป็นอย่างมันอย่างเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะใครจะทำไปกี่ร้อยกี่พันคนก็รูปแบบเดียวกันเนี่ยพราะโครงสร้างมัน เ, เดียวกันคนเราท้านสี่ขันห้าถูกไหมอญญายะอญญายะทนาสิบสอง แค่นี้มีวิญญาณหกแต่ว่าที่มันไม่เหมือนกันมันต่างกรรมกันเท่านั้นเองต่างกรรมต่างการกระทำํำเป็นเรื่องของกรรมแต่โครงสร้างที่มันไม่มีกรรมใอันเดียวกันสุกเหมือนกันทุกเหมือนกันเยี่ยนแล้วแข็งเครื่องถึงเหมือนกันทุกอย่างอ่าเพียงแต่ว่าเราเกิดมาจากยี่ห้อไหนเท่านั้นเองมันวิ่งได้เหมือนกันอิสุสุก็วิ่งได้วิสุก็วิ่งได้เราแต่ละคนแต่ละตระกูลแต่ละบรรพบุรุษคือยี่ห้อของเราใช่ไหม บางคนก็ยี่ห้อนี้บางคนก็ยี่ห้อนี้แต่วิ่งได้เมันกันกินน้ำมันเหมือนกันมีสีล้อเหมือนกันมีฟงอะไรเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะมันต่างแต่ยี่ห้อเรามาจากตระกูลไหนเผ่าไหนเท่านั้นเองนะขอแค่นี้นะก็ขอนโนรนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ให้มันทะลุปูกปรุงจนเข้าใจสามารถพาตัวเองอดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็น เห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกและสามารถปลูกมรรคผลนิพพานในจิตในใจของตัวเองด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ